ก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ยัดโยมเรือพูไฟรมทั้งหลายก็ในช่วงที่เรารับฟังธรรมกันจริงๆเรื่องของธรรมก็มีอยู่โดยปกติหรือมีโดยอยู่ธรรมชาติที่มีอยู่ เพียงแต่ว่าใครได้กาหนดหรือไม่กําหนดนั่นก็เป็นแต่ละบุคคลที่ที่กล่าวว่ามีทั้งผู้เจริญพร้อมทั้งมีผู้เสื่อมทั้งในปัญญาและในกุศลที่เจริญ พร้อมทั้งความเสื่อมอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยตรัสต่อวาเศษทะว่าศรัทธาของผู้ใดอันตั้งมั่นอยู่ในพระทถาคตศรัทธาจนถึง ขั้นที่เรียกว่าฝังรากดำรงมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามันพรหมหรือสิ่งใดก็ตามไม่สามารถที่จะชักนำไปในวิธีจิตอื่นได้ นั่นก็แสดงให้เห็นว่าความตั้งอยู่ที่ที่มั่นคงในองค์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจะพึงได้รับเพียงอย่างเดียวคือประโยชน์อันสูงสุดฉะนั้นเมื่อใครได้เคารพสการะบูชา องพระผู้มีพระภาคอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของอนิสงส์พระผู้มีพระภาคเนี่ยทุกคนก็ทราบว่าสา ม, มารถที่จะดักใจแทงใจแล้วก็รู้ถึงสภาวะจิตของบุคคลนี่ก็เหมือนกับเป็นการย้ำ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยยานอันเกิดในปัญญาปัญญายานวิชาและจักสุนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสว่างที่พระองค์สามารถที่จะมองเห็น ในเบเนยสัตว์ทั้งหลายและก็สามารถที่จะโปรดเพียงใช้คำว่ า, าพลิกฝ่ามือบุคคลนั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คืออัศจรรย์ในบุคคลที่ได้เข้าพบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นให้เราหยุดอยู่ในเพียงคำว่ามนุษย์สมบัติหรือสวรรคสมบัติคงไม่ต้องไปกล่าวถึงเรื่องของนรกเลยเพราะนั่นคือความวิบัติไม่ใช่สมบัติ ฉะนั้นสมบัติในมนุษย์เราเองพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่จีรังแล้วสิ่งนั้นเองมันมีอันแตกดับในที่สุดพอเราไปยึดติดมากจิตใจก็มีทุกข์ยมลองนึกดูว่าคนมีสมบัติมากๆ เวลาจะสิ้นใจเขาเจะสมบัติไปไหนจำเป็นที่จะต้องหาคนที่มารับสมบัติต่อนี่เป็นการบอกให้เห็นชัดว่าสมบัติเป็นสิ่งที่ผัดเปลี่ยนมือ แล้วก็ผลัดกันชมแล้วก็จากกันไปอีกเช่นไม่ว่าเราจะได้มนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติมันก็ยังอยู่ในอัตภาพที่ไม่ได้ตั้งอยู่ให้เราชื่นใจอยู่ตลอด พอถึงเวลาหนึ่งเราเองจะตกใจเพราะสิ่งที่เรายินดีพอใจแล้วก็ปรารถนานถึงเวลาเราเองก็ต้องจากและจะมีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่อบรมในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐาน ก็คงจะไม่มาติดในในรูปสมบัติทรัพสมบัติและทิพยสมบัติที่มันไม่ได้เที่ยงจริงๆเนี่ยมันก็เกิดในสภาวะหนึ่งที่เราใช้แล้วเราก็ต้องมาพบกับสิ่งที่ไม่จริงรังอีก บรรดาพระอริยะทั้งหลายนะ่ะท่านกำหนดลงแล้วจิตนะ่ะจริงไม่ไหลไปสู่อำนาจแห่งความยึดติดอยู่กับคำว่าไตรลักษณ์เราไม่ควรยึดฉะนั้นคนที่ไม่รู้ การใช้ลมหายใจที่มีอยู่ใช้ชีวิตที่ยังมีบุญอยู่ไม่แสวงหามรรคผลไม่แสวงหาพระนิพพานดูเหมือนว่าเราจะไม่พ้นเรื่องที่ต้องมาตกใจเสียใจและความกังวลเนี่ย มันมีอยู่ตลอดเราจรึงยังไม่เป็นผู้ปกติแต่พระอาราหาันเนี่ยท่านอยู่อย่างผู้มีปกติพอยิ่งเข้าใจความสำรวมในอินทรีย์มีสติมีสัมปชัญญะสามารถรู้ว่า อะไรที่เรายังคล่องหรือเป็นผู้คลองในนิวรธรรมก็ยิ่งต้องเจริญสติแล้วอบรมจิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อทำให้กายสงบผู้มีกายอันสงบวาจาอันสงบและมีใจอันสงบ อย่างน้อยคำว่าความสงบเบื้องต้นก็คือเราไม่ต้องไปมีบาปอกุศลเกือกกั้วหรือความดิ้นรนด้วยอำนาจของกิเลสน้อยใหญ่ฉะนั้นจิตของใครที่ตั้งมันได้ไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ย ต่อองค์พระผู้มีพระภาคมีคติเดียวเท่า น, นั้นไม่เร็วช้าก็ต้องเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่ของเรามันยังหวันไหวยังมีสองสามสี่ไม่ใช่หนึ่งเดียวโดยเฉพาะศรัทธาที่ยังไม่ตั้งมั่นก็หวันไหว ไปในรูปรถลิ่นเสียงไปในการกระทบสัมผัสก็แสดงว่าเราไม่อบรมอินทรีย์ตาหูจหมูกลิ้นกายใจให้เป็นผู้สำรวมระมัดระวังอย่างคำว่าสันโดษเสพเซนาสนะอันสงัดนั่นคือเขามีใจน้อมมา ไม่ว่าบุคคลนี้เขาจะมีทรัพย์สมบัติเพียงไหนคือเขารู้จักประมาณในการใช้อยู่ว่าเราควรที่จะดํารงตนอย่างไรและไม่ติดถึงเวลาที่ควรจากเขาก็พร้อมที่จะจากถึงเวลาที่ควรสละ บุคคลนี้ก็พร้อมที่จะสละไม่ตกใจไม่เสียใจถึงเวลาที่บริจาคทานเขาก็บริจาคทานเพราะรู้วัพย์นี้ไม่จีรังไม่ตกใจบางคนกลัวกลัวทรัพย์จะหมดเข้าใจไม่จริง เข้าใจจริงต้องเข้าใจแบบนางวิสาขามหาับาสิกาหรืออนาบินทิกะเศรษฐีมหาหับาศกในพระพุทธศาสนานั่นคือเขามั่นคงสติเขามั่นคงจิตเขามั่นคงสัพพัญญะของเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรเขาไม่ตกใจเลย ทำบุญกันแบบพูดกันเป็นโกรธ ก, กันจนสละทรัพย์สมบัติภายนอกเพื่อสร้างทรัพย์ภายในเขาเห็นทรัพย์ภายในยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะทรัพย์นั้นไม่เจรังก็คือไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าทรัพย์ไม่เที่ยงทำไมเราไม่ ทำให้เกิดเป็นอริยทรัพย์ทางปัญญาทำให้เกิดทรัพย์เป็นกุศลขึ้นมาอันนี้ของเราทำให้ทรัพย์เกิดกรรมคุณทั้งนั้นมันไม่ใช่วิธีใช้ทรัพย์ของมนุษย์เราเนี่ยเข้าใจอยู่เพียงการสนองกิเลสและความต้องการในความอยาก หรือความปรารถนาสิ่งใดก็พึงซื้อมาก็ดูไปดูมาก็ได้เพียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ชอบใจและก็วัตถุที่พึงปรารถนาไม่ได้มากกว่านี้เลยแต่ถามมารัพย์เรา เคยเป็นผู้มีเมตตานำทรัพย์มาช่วยเหลือบำเพ็ญบารมีฐานบ้างไหมเปล่ากลัวกลัวมากกลัวทรัพย์จะหมดแต่เวลาซื้อวัตถุเท่าไหร่ก็ทุ่มนะพอใจไม่เห็นกลัวทรัพย์จะหมดไม่เห็นกลัวจะจนเลยหรือ ก็แสงว่าเรามีความระนีมีความระนีมากกว่าไม่กล้าที่ใช้ทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์แต่กล้าใช้ทรัพย์ซื้อกรรมะขุนห้ากี่ล้านล้านก็ซื้อแต่ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์มาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีให้กับ ตนเองก่อนตายน่าเสียดายแต่ตมาดูแล้วฉากที่จบมันก็คือลงศพไม่เห็นเกินนี้เลยบ้านใหญ่เพียงไหนสุดท้ายก็ให้เข้าไปอยู่ข้างในมันอุดอู้เนาะตะมาว่าแล้ววันหนึ่งพวกเราท่านท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ย ก็ถูกอุ้มลงไปเนี่ยนะบ้านหลังสุดท้ายโอ้มันบมไม่นทีมันไม่คือแท้โอ้ทำมาเกือบเป็นเกือบตายให้เท่ากันเลยตอนตายนี้ให้เท่ากันคนละโลงโอ้บ้านหลังสุดท้ายอะนะแล้วซับ ที่เหลือท่านทำอะไรบ้างบุญไม่ทำบารมีไม่สร้างมรรคผลไม่แสวงหาท่านก็จบในเรื่องของมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติต่อจากนี้ท่านก็คือวิบัติเพราะจิตดวงนี้ไม่มีสัตว์ คือเขาไม่มีทานศีลภาวนาไม่มีบุญไม่มีกุศลที่จะนำจิตไปสู่ภพที่ดีได้ก็จึงบอกเขาขาดปัญญาขาดสติขาดความรู้แจ้งไม่เหมือนนางวิสาขาหรืออนาบินทิกะเศษเรษฐีเขาไม่รู้เขาไม่รู้ในสมัยครั้งพุทธการขนาดว่า ในตระกูลบางตระกูลเขาร่ำรวยมากเต็มบุตรเกิดความเลื่อมใสในคุณแห่งพระพุทธ เ, ทเจ้าและในคุณแห่งพระตัตฑ์ไตรในที่สุดก็ออกบวชทิ้งทรัพย์สมบัติในของตระกูล ไม่มีทายาทสืบในการรับทรัพย์สมบัติหรือมรดกเป็นที่ทุกข์ร้อนใจของผู้เป็นบิานดามารดาเพราะเมื่อตนตายแล้วไม่มีคนสืบส ก, กุลและไม่มีใครดูแลทรัพย์ต่อทำไมไม่ทำทรัพย์ไม่มีความสุขละ่ะถ้าบอกทรัพย์มีความสุขแต่ทำไมต้องห่วงว่า ต้องมีคนมาดูแลต่อก็บอกแล้วว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราเที่ยงร้องให้เสียใจนะร้องไห้เสียใจต้องไปขอร้องให้ลูกศึกลูกไม่ศึกยังบอกพ่อแม่ให้เอาทรัพย์ไปโยนทิ้งน้ำใส่เกวียนไปโยนทิ้งนะถ้าผู้เป็นมารดาพุกในเรื่องของ การมีซับก็เอาซัพย์ไปทิ้งสิโอ้แม่ฟังจะเป็นลมตายลูกพูดอะไรเนี่ยให้เอาทรัพย์ใส่เกวียนเต็มแล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ํานะลูกพูดอะไรแม่จะสติแตกเลยล่ะแสดงว่าพระท่านเห็นหนทางที่เลิศกว่าประเสริฐกว่า ยิ่งกว่าทรัพย์ที่โยมพ่อแม่มีอยู่ท่านไม่เอาเพราะท่านรู้ว่าพ่อแม่เราอยู่ได้ไม่อีกนานวันวานยังเป็นสาววันนี้มาแก่วันต่อไปก็เท่าชราวันข้างหน้าก็คือตายตายขักโลดแน่นอน ตนเองก็รู้จึงดิ้นรนเพื่อหาผู้มาสืบรัพย์สมบัติต่อแต่บอดีพระที่ท่านออกบวชแล้วท่านได้อริยมรรยผลแล้วท่านไม่สนใจในทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายนอก เพราะนี่เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านคงไม่มั่นหมายแล้วว่าทรัพย์นี้จะเป็นของเราอีกต่อไปอีกเป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านรู้แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์อีกแล้วของพวกเรานี่ยังกําหนดไม่ได้ หรือบางคนอาจจะพอคิดว่าได้หรือบางคนก็พอมั่นใจว่าได้ก็เอา้าได้ก็ได้ไม่ว่ากันโสดาบันกับโสดาดันก็สุดแล้วแต่มันก็อยู่ที่คุ ณ, ณธรรม <c oughs> ไม่ใช่อยู่ที่อย่างอื่นถ้าปฏิบัติได้ความหลงติดอยู่ไม่มี ไม่มีความติดอยู่ก็ไม่มีท่านจริงไม่มีความกังวลท่านไม่มีความกังวลในสักกระดูขนาดท่านพระสารีบุตรท่านเป็นพระมหาศาลนะสะกุลท่านไม่ใช่ธรรมดา เป็นพระมหาศาลผู้เป็นมันดามีเงินตั้งหลายโกดปรากฏว่าท่านไม่ยินดีในสกุลออกแสวงหาธรรมและท่านก็ไม่คืนกลับไปสู่ทรัพย์ภายนอกอีกเลยมีนามซ้ำยัง โปรดน้องๆ อ, อีกหกคนได้บรรลุธรรมหมดยมแม่ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยในที่สุดเมื่อไรผู้บำเพ็ญได้ถึงอันเป็นอริยมรรคอริยผลแล้วเรื่องทรั์ภายนอกนะดูเหมือนใจมัน ไม่ไปคล้องเลยนะใช้กระมังไม่คล้องติดยึดอยู่ฉะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยน่สงสารเบริกบานไม่ขี่วันนอกนั้นมีแต่ใจบอกรําคาญนั้นแหละมันเหมือนเด็กได้ของเล่นมาดีใจเพียงเดียวเดียวก็หมดลนวะก็ดูพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ไม่มีสมบัติเราก็รู้อยู่ว่าพระองค์เป็นผู้สลัสมบัติคือมีครบหมดแล้วนะอาหารนี่ก็ห้าหมวดแล้วล่ละนะครบห้าหมู่แล้วกรรมคุณก็พร่างพร้อมหมดทรัพย์สมบัติก็พร้อมหมดอำนาจยศก็พร้อมวรณะก็สูงสุดแล้วแต่สละ คือได้เห็นแล้วในที่สุดก็มาโปรดผู้เป็นพุทธบิดาให้เข้าถึงความเป็นอรหันต์ไม่ใช่ให้เข้าถึงความเป็นพระราชาหรือพระเจ้าจากกักรพรรดิไม่ใช่เพราะตอนนั้นสภาพร่างกายก็เริ่มที่จะชรา ม, มากเบตนาก็มาก ทุกก็มากดูเหมือนซับแต่ช่วยไม่ได้แล้วนะยศอำนาจทุกอย่างช่วยไม่ได้คงจะเหลือเพียงเข็มฉีดยาเมื่อตอนนี้ก็เพียงบรรเทาไปในระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ย่หมายว่าจะพ้นทุก แม้จะอยู่ในฐานะและวั น, นะใดก็ตามยังไม่ใช่ประวุทธเจ้าจึงต้องโปรดให้พ้นทุกข์เห็นไหมและเมื่อโปรดเสร็จเราก็ทราบในที่สุดก็ได้สิน้นหรือสวรรคตและถามว่าใครจะสืบสันติสันติวงต่อ พระพุทธเจ้าไม่ได้คล้องอีกแล้วนะไม่ว่าน้องต่างมันดาหรือพริยาใครที่มีสัมมาธิฏฐิออกบวชได้ออกมาพระองค์ไม่คัดค้านเลยในหนทางของการดับทุกข์จริงๆจริงๆตนเองก็ไม่รับแล้ว น่าจะเป็นลูกก็คือราหุลสุดท้ายลูกเองก็โบสไม่ได้ขึ้นครองราชเลยไม่ได้ขึ้นครองไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกสมบัตินั้นไม่เที่ยงเธออย่าเอาเลยมันไม่พ้นทุกเธออย่ายินดีเลยเธอจงยินดีใน อริยมรรคอริยผลเห็นไหมนี่เป็นการยืนยันชัดเจนว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าแล้วก็ลูกของพระองค์พระองค์ก็ไม่สอนให้ติดอยู่พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วไม่เพียงแต่พระองค์เท่านั้นนะแม่ญาติมิตรพี่น้องบรรดาเจ้าชายทั้งหลายบรรดา วรนกษัตย์ทั้งหลายก็ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุกันโดยส่วนใหญ่ถ้าโยมมองภาพจุดนี้เราจะมองเห็นว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาไม่ใช่เพื่อทรัพย์ภายนอก เพื่อโปรดบิน ญ, ญาณจริงๆนะโปรดจิตวิญญาณให้พ้นจากมารน้อยใหญ่และความติดอยู่ในสภาพของทุกข์ทั้งหมดเราไม่สงสัยอย่างนี้หมดความสงสัยไม่ใช่ว่าหน้าอย่างหนึ่งหลังอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนั้น ไม่ใช่จนถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสในเรื่องของทรัพย์ภายนอกเลยไม่ได้ถามถึงเรื่องทรัพย์ภายนอกไม่ตรัสถามเลยไม่ได้ยึดอยู่ในบุคคลตัวตน เราเขาเลยเป็นการแสดงแบบบริสุทธิ์มากว่าพระองค์จะจากไปแล้วด้วยดวงจิตเป็นผู้ได้ละแล้วสละโลกแล้วของพวกเรานี้ทั้งที่ไม่มีนะโอ้โหยัง สแสวงขนขวายกันแบบบุ่นวายหนออจนบางคนเกิดความโลภไม่มีศีลไม่มีธรรมเอากันแล้วย่ำกันทำกันแสดงว่าบุคคล น, นี้ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเรามาตรัสรู้เพื่อบอกอะไรแล้วเราไม่น้อมตามเลยไม่ปฏิบัติตาม สุดท้ายเนี่ยเราตายไปกับบาปเนี่ยมันช้ำใจนะทำไมไม่ตายไปกับบุญมันชื่นใจนะในที่สุดมนุษย์ที่หลงเนี่ยตายไปกับบาปตายไปกับกรรมังคุณตายไปกับกิเลสโอ้มันพาไปสู่ดรกภูมิสัตว์อีกแล้ว และนี่หรือที่เราคิดว่าเป็นสมบัติมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นคำสาบับมาว่าทรัพสมบัติพอใครมีความโลภและภัภก็เกิดบางครั้งดูเหมือนว่าเวลานี้มันยังไม่ให้ผลแต่คิดหรือว่าผลกรรมจะไม่ถึง ถึงถึงแน่นอนก็ดูบางทีเราทําดีกรรมดีมันก็ยังไม่ได้ให้เลยเราก็ท้อใจเหนื่อยใจว่าบุญทําแล้วกรรมดีทําแล้วความดีทําแล้วยังไม่เห็นผลเงี้ยแล้วเวลาทําชั่วบางทีผลมันก็ยังไม่ได้ให้เหมือนกันคิดหนคิดเลกนิดนึงนะ เพื่อจะได้มีกําลังใจที่จะทำดีขึ้นไปอีกไปเรียกร้องอะไรใจดีมันก็ดีแล้วไปให้ใครมานั่งดีใจกับเราอีกไม่จำเป็นต่มาว่าถ้าเราเข้าใจในทรัพย์ไม่ว่ามนุษย์สมบัติวรวั์สมบัตินั่นคือ ผู้ที่เขาสร้างบุญสร้างบารมีพอมนุษย์มาได้ภูมิชาติที่เราสร้างวาสนามักดีเขาเรียกว่าเป็นกุศลแห่งกรรมดีสิ่งนั้นก็บรรดาผลเกิดมาก็ในตระกูลที่มั่งคั่งทำอะไรก็ได้มรกได้ผลร่ำรวยมียศมีอำนาจ มีความเป็นใหญ่แล้วก็มาหลงมันน่าเสียดายจริงแต่มาว่าเสียดายเสียดายคนที่มีมาหลงบารมีมาหลงทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์ให้เกิดในทานศีลภาวนาเลยไม่รู้จักการบำเพ็ญทานบารมีการเกื้อกูลช่วยเหลือแบ่งปันเสียสละ ไม่เลยบางครั้งดูเหมือนรวยกว่าเขาก็ยังไปโกงเห็นเกตตัวกว่าคนที่จนกว่าโอ้นารกชัดๆเลยนารกชัดๆมีห้างร้านใหญ่โตก็ยังไปโกงตะสีตะสาอีกไปโกงตราช่างบาง กงน้ําหนักบ้างขูดรีดมากเกินเหตุบ้างทำไมเอาความรวยที่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันเป็นบาปมันเป็นบาปเมื่อไรใครมานั่งภาวนามาภาวนาพอจิต ได้มีสภาพรู้ขึ้นมาเนี่ยโอ้เหมือนอยากจะไปกราบเท้าขอโทษขอโทษที่ฉันได้โกงได้ขูดรีดไปขูดรีดมาเนี่ยแม่มันเป็นบาปเหมือนไม่อยากได้แล้วแค่เราหากินอย่างสุจริตเนี่ยแค่นี้มันก็ทุกพอแล้วเหนื่อยพอแล้ว ลำบากพอแล้วแล้วยิ่งไปหากินแบบทุจริตอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้แล้วคิดหรือว่าทซั์นั้นจะมีฐานะที่จะตั้งอยู่ได้มันไม่ใช่เหตุของทรัพย์ที่จะตั้งอยู่ได้ไม่ว่าใครนะไปโกงไปเบียดเบียนทรัพย์คนอื่นมาจะร่ํารวยสักเพียงไหนต้อมาบอกทรัพย์นี้ไม่ได้ใช่นะคนก็าสาบแช่ง ไม่ว่าที่ไร่ที่นาไม่ว่าบ้านเรือนไปดูเถอะคนนั้นไม่ได้ใช่หรอกถึงอยู่ก็ต้องอยู่แบบทุกข์มันเป็นของร้อนมันเป็นของร้อนมันไม่เกิดจากความบริสุทธิ์หรือเกิดจากความสุดดริตหรือเกิดจากบุญฐานะนั้นตั้งไม่นานแต่มาบอกเลย โยนอย่าไปดีใจนะที่เราไปรู้ไปรู้ว่าคนนี้ชั่วเขารวยเขาขายยาเขาทําสิ่งผิดกฎหมายเขาไปโคโกงอะไรยาไปสรุปว่าเขาได้ดียายามันเป็นภาพลวงตาเป็นภาพลวงตานะเราอย่าหวั่นไหวเราต้องตั้งมั่นอยู่ในธรรมเพราะสิ่งนั้นนะ มันไม่ใช่สมบัติทุกอย่างจะถูกทวงคืนหมดเอาง่ายๆพูดง่ายๆถูกทวงคืนหมดแล้วต้องมีโทษอีกต่างหากอย่างนี้ยมจะดีใจไม่ถ้ารู้ความจริงไม่แต่มาไม่ไม่สนเลยเรื่องทรัพย์ของคนอื่นไม่สนเลย เราอยู่เพื่อบำเพ็ญบุญเท่านั้นใครจะทำบุญมาเนะี่ยตมาก็บอกโมทนากับโยมด้วยก็เท่านั้นแต่ไม่ได้สนใจในเรื่องของตัวเลขตัวเงินเพราะเราปฏิบัติเพื่อที่สุดในภพชาติเราไม่จำเป็นที่เราต้องมาติดมายินดีอย่าว่าจะไปเอาของเขาเลยแม้แต่เขามาถวายเนี่ย ก็ทำบุญมันจบแล้วตรงนี้ใจเราเองรู้เองจบแล้วจบแล้วทำบุญวันวั น, วนหนึ่งทำบุญบอกให้รู้ว่าเออเรามีชีวิตอยู่วันนี้เราได้สร้างบุญได้บำเพ็ญบารมีอะไรเราก็ดูดีกว่าเราไปนั่งสร้างบาปแล้วเราได้ ของเขามามันเป็นของร้อนคนก็สาบแช่งแล้วสิ่งนี้ต้องคืนเขาอะกรรมมันตามทุกวันนี้มีคนเขาบ่นกันเยอะไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรนะเนี่ยทั้งนั้นเลยบางคนทรัพย์นึกหรือว่าจะหาเก็บได้ไม่มีทางท้าด้วยพอมีถึงเนี่ยเกิดเหตุ มีเพศภยัยอีกละวมีอันตรายอีกแล้วต้องมีคนเกิดเรื่องขึ้นมาในสิ่งที่อยู่กับเราเราต้องร้อนใจเอาใบซั์ต้องใช้เราไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์ในการทุจริตมาได้เชื่อเถอะมาเถอะไม่ว่าใครก็จะได้สักเท่าไหร่เทา่ทาไหร่เท่าไหรกินเท่าเดิมมันไม่ได้กินเพิ่มกว่าเดิมหรอกดีไม่ดีกินไม่ลงทีเนี้ ก็รู้อยู่เอามาจากไหนได้มาจากใครไปทำอย่างไรมารู้บอกถือว่าเรามีความสุขใจไม่ใช่ตราบใดที่ทรับยังซื้อใจไม่ได้ทรับนั้นก็ช่วยให้พ้นทุกข์จริงยังไม่ได้ยืนยันคำนี้ไม่ได้ ฉะนนใครที่มีบุญบารมีอยู่แล้วมีทรัพย์อยู่แล้วทําอะไรก็ทําเถอะเราซื้อกิเลสได้เราไม่เห็นมีความตระนีกี่ล้านเราก็ซื้อมาเพื่อความสะดวกสบายเข้าใจผิดหรือเปล่านะนั่นเราให้เพียงภูมิภพหนึ่งที่เกิดและสนองเพียงร่างกายให้สบายใจที่เป็นกิเลสเนี่ยนะแต่ในบุญกุศลรู้ไหมว่าเราได้ทรัพย์มาจากอะไร เปาเราเคยสร้างบุญมาเราเคยให้ทานมาเราเคยรักษาศีลมาเราเคยเจริญเมตตาภาวนาช่วยเหลือกันมาบุญก็เกื้อกูลบุญเกื้อกูลบุเพกะตาปุญญาตาไงบุคคลที่ได้สร้างบุญมาก่อนแต่ปางก่อนแล้วทาไมเรา มันลงชาติเดียวามาไม่เข้าใจพูดอย่างไรก็ดูเหมือนเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอา้าเมื่อไม่เข้าใจให้เป็นไปตามบทแล้วกันแล้วที่สุดท่านก็พบจุดจบของทรัพย์เมื่อสิ้นแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าในปารโลกหน้าท่านจะมีทรัพย์มีบุญเพราะไม่มีสเสบียงไม่มีท่านไม่ได้สะสมอะไรไว้ ที่ทำไปสู่ปรลละโรคท่านใช้เฉพาะชาตินี้กินเที่ยวใช้ซื้อกิเลสตัณหาสนองกามกิเลสตัณหาชาติเดียวแต่ท่านไม่ได้สร้างทานศีลภาวนาเพิ่มเลยนะแล้วพอไปสู่ในทุกขติภูมินะทุกคนรู้สึกว่าตนเป็นมิจฉา มิจฉาทิฏฐิงนั้ใส่วบ ย, ย, ยาใหญ่อยู่ด้วยความเห็นผิดเวลาของเราทุกคนจะหมดแล้วจะหมดแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีให้ราหุลไปติดอยู่กับทรัพย์หรือยศหรืออำนาจสักทั้งหลายเนี่ยให้บวชเห็นไหมโยม ให้บวชนั่นเป็นการบอกเลยว่าในสันติวงในวรรณะกษัตริย์ไม่มีค่าพอเท่ากับอริยมรรคอริยผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และแสดงให้บุคคลได้เดินตามถ้าพระเจ้าสุดโททนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้มาโปรดนะโอ้ตระมาก็ไม่รู้ว่าจะท่องอยู่ในภพอีกมากน้อยเพียงไหนแต่นั่นเป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านจึงไม่ห่วงเรื่องของทรัพย์อีกเลยไม่งั้นต้องอะไรอาวุนใครเนอะจะมาดูแลทรัพย์ของเราใครเนอะจะมาขึ้นครองราชทรัพย์สมบัติ ตัดไปเลยเรื่องนี้ใครอยากได้อยู่ในฐานะพึงได้ก็จงเอาเถอะเหมือนที่เจ้าชายออกมาตอนนั้นห้าหคนออกบวชถอดเรื่องประดับทั้งหมดเลยในช่งกันระบบก็ไม่เอาแล้วสรุปแล้วบวช เอามักผลแล้วแต่ละคนก็อยู่ดีมีสุขมีสมบัติทั้งนั้นเลยโย่แต่ไม่ยินดีและเห็นภัยด้วยนะเห็นภัยด้วยออกบวชก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์แต่ถ้าคนที่ยังยินดีอยู่ก็ ได้ซับไป้าไปใช้กี่วันและยอมอายุเราก็รู้อยู่ในร้อยปีลงมาส่วนมากก็มีแต่ผู้ตายทั้งนั้นเลยที่มากกว่าก็มีแต่คนที่อยู่สภาพทุกข์มากถูกบีบขั้นด้วยอั น, นิจจังทุกขังอนัตตาบีบขั้นมากอย่างนี้ท่านนอนหลับก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุข เพราะไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็อยู่อย่างผู้ไม่เบียดเบียนยิ่งเข้าใจทรมากเท่าไหร่แล้วคนก็ไม่หลงทรัพย์กันที่เป็นทรัพย์ภายนอกสแสวงหาอริยทรัพย์มากกว่าสแสวงหาอริยทรัพย์ฉะนั้นยัดโยมและผู้บาเพ็ญธรรมทั้งหลายนะเราอย่าไปหลงอย่าไปหลง เพียงชาติเดียวแล้วเรามาใช้บุญจนหมดพอต่อไปเนี่ยเราจะถูกทุก์ที่บีบคั้นแล้วคติของเราก็มีนรกกับสัตว์เดรัจฉานเป็นที่เป็นที่หมายมันไม่คุ้มกับเพียงเรามายินดีเพียงกรรมมคุณยินดีเพียงสมบัติของมนุษย์ที่มีอยู่ไม่กีรังเพียงไม่กี่ปีแล้วเราต้องจากไปเนี่ย มันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันฉะนั้นเรายิ่งเจริญสติอบรมจิตเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมเราก็จะไม่หวั่นไหวในเรื่องที่เป็นเพียงสิ่งยั่วแล้วทำให้เราไปหลงขายดักสัตว์ให้มีพบอยู่เราก็ตัดพบออกไม้ได้ นั่นคือบารมีของการเกิดมาที่เราจะต้อง เ, อเร่งขนขวายบาเพ็ญทานฉีนภาวนาทำให้ครบอย่าให้ขาดขาดปัญญาก็ไม่ได้ขาดศีนก็ไม่ได้ขาดทานก็ไม่ได้ทำให้ครบถ้าเราทำครบไปที่ไหนเราก็คือคนที่ไม่ขัดสนคนที่ไม่ขัดสน และก็อยู่อย่างผู้ไม่ร้อนใจทำอะไรก็ดูเหมือนจะสำเร็จง่ายๆด้วยนะเพราะวาสนาเรามีมันก็ส่งให้เกิดมรรคเกิดผลได้เร็วแต่บางคนดูเหมือนทำอะไรมันมันยากลำบากแล้วก็ไม่มีใครส่งเสริมไม่มีใครเกื้อกูลด้วยยิ่งลำบากบางทีก็ถูกขัดขวางด้วย นั่นเป็นเพราะเราเองทำมาไม่ดีถ้าโทษก็ต้องโทษวาสนะาฉันเมื่อรู้อย่างนี้เราก็สร้างกรรมใหม่ให้ดีแล้วเราเองก็พบในสิ่งที่ดีในที่สุดมันก็จบลงอย่างนี้สมบูรณ์แบบเราไม่ต้องไปใช้นีเวรกรรมของใคร เราบุญส่งให้และบำเพ็ญบารมีอีกมรรคผลก็ได้เร็วขึ้นแต่บางคนกรรมไม่ดีเยอะมันก็ฉุดฉุดกระชากเราให้ไปลําบากยากที่จะมาบบำเพ็ญบารมีได้หลายคนไม่ยอบไม่อยากบำเพ็ญบุญบารมีนะแต่ทำไม่ได้มันมีสิ่งมาขัดขวางเขาเขาเรียกว่ามานมาน มีบุญในกุศลแล้วจงบำเพ็ญทานศีลภาวนาทุกท่านทุกคนเทอเินขอเจริญพร